ซึ่งฟังเป็นใจความโดยสรุปว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วใช่ไหมเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำชะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็แสดงว่าเรานี่มีความทุกข์กันก็ตั้งคำถามว่าโลกนี้เนี่ยมันคือโลกแห่งความสุขหรือโลกแห่งความทุกข์กันแน่ตามความจริงแท้เนี่ยนะความจริงแท้ ที่สําคัญคือไม่รู้จักคําว่าทุกข์อ่ะสิที่ที่ทมันมันยากเพราะคําว่าทุกข์นี่หมายถึงอะไรสภาวะของทุกข์มีอยู่สาประการด้วยกันทุกข์ข้อแรกก็คือทุกขกับทุกใช่ไหมทุกข์คือความเจ็บกายและก็ปวดใจความเจ็บทางกายนี่เป็นยังไงก็คือเนี่ยที่เป็นไม่สบายเป็นต้นเนี่ยนะหรือกระทบกระเทือนด้วยเหตุผลด้วยประการทั้งปวงที่ทําให้เจ็บให้ป่วยให้ไม่สบายให้ปวดให้เมื่อย อันนี้ให้เป็นแผลเป็นต้นอันนี้เรียกว่าความเจ็บทางกายแล้วอะไรบัางไม่นำมาซึ่งความปวดใจในโลกถ้าเป็นสิ่งข้างนอกนะแม้แต่ตัวเองก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บใจของตัวเองคิดไปคิดมาไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยเนี่ยก็เจ็บใจตัวเองนั้นสรุปว่าภายในเองก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งภายนอกก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ ก็มีผู้ถามว่าเอาคุณไม่รู้จักความสนุกความเพลิดเพลินบ้างเลยหรือคุณไม่รู้จักความสุขบ้างเลยหรือทําไมคุณเนี่ยคิดอะไร ม, มีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกก็บอกว่าแล้วความสุขของคุณะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงไหมไม่เที่ยงจริงอยู่ว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยนํามาซึ่งความหวังใช่ไหมความสุขของคนทั่วไปเนี่ยสุขกับความหวังนะหวังลมๆแ้งๆไปก็มีความสุขตรงนั้นแหละ หวังว่าถ้าได้สิ่งนั้นแล้วตัวเองจะมีความสุขก็หวังอยู่แค่นั้นจะมีความสุขอยู่บ้างก็ตรงความหวังยิ่งถ้าสมหวังก็เริ่มเลยนะแต่ว่าถ้าหวังสิ่งใดความผิดหวังก็จะตามมาจากสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจเพราะนั้นโดยสรุปแม้กระทั่งสิ่งเราใดก็ตามที่เป็นแห่งที่ตั้งแห่งความสุข เป็นที่ตั้งแห่งความหวังเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจในที่สุดสิ่งนั้นตัวมันเองเที่ยงหรือไม่เที่ยงตัวเขาเองก็ไม่เที่ยงทั้นสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็นํามาซึ่งความทุกข์อีกอยู่ดีอย่างเช่นนะสุขภาพร่างกายเราสบายบอกว่าเรามีความสุขมากนะจะลุกจะเลินจะเหินเป็นต้นก็คล่องถามว่าสุขภาพดีเหล่านี้มีอยู่ตลอดไปไหมไม่ตลอดไป มันก็ไม่เที่ยงมันความสุขทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นนํามาซึ่งความทุกข์อีกอยู่ดีแล้วสัรพสิ่งในโลกนี้เคยพบว่าสิ่งใดมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันในคําว่าทุกข์มีอยู่สามอย่างใช่ไหมทุกขกระทุกวิปริณามทุกข์และสังขารทุกข์ทุกข์คือความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจทุกข์คือความความสุขนั่นแหละที่มันไม่เที่ยงก็ชื่อว่าเป็นความทุกข์แล้วก็สัรพสังขารทั้งมวลล้วนแต่ไม่เที่ยง จริงอยู่ดินน้ำลมไฟตัวเขาเองไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเป็นอัพญญาคตะรำแต่ตัวเขาเองก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกเป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุกขแล้วตัวเขาเองก็ไม่เที่ยงทีนี้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ถูกความทุกข์เหล่านี้ครอบงำแล้วเป็นผู้มีอะนะถูกความทุกข์เหล่านี้หยั่งลงแล้วหรือตัวเองนี่หยั่งลงในความทุกข์เหล่านี้ขึ้น ทำไมล่ะเพราะเราทั้งหลายเดี๋ยวก็ทุกทุกกายทุกใจเดี๋ยวก็เสียลำบากทางร่างกายแล้วก็จิตใจเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจความทุกข์ทางกายไม่สบายเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ก็อย่างว่านะผู้มีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรผู้มีญาติก็ทุกข์เพราะญาติผู้มีทรัพย์ก็ทุกข์เพราะาทระัพย์ผู้ไม่มีอะไรเลยก็ทุกข์อีกเหมือนกันทุกข์เพราะไม่มีอะไร แม้กระทั่งมีร่างกายก็ทุกเพราะร่างกายมีจิตใจดวงเดียวนี่บริหารไม่วาดไม่ไว้เนี่ยนะก็ทุกเพราะมีจิตใจมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกนั้นในโลกนี้ความเป็นจริงทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นเราทั้งหลายก็ถูกความทุกขเหล่านี้ครอบงำท่วมทับใจเราก็มาตั้งคําถามว่าอะไรบ้างนะที่ไม่ครอบงำท่วมทับใจเราไม่ให้เราเป็นที่ตั้งแห่งความทุกเลยมีไหมไม่มีเดนะ ดูเหมือนไม่มีดูเหมือนไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกอย่างในโลกเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์หมดเลยไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แล้วก็ถ้าหากว่ามองให้ดีๆภาษาธรรมะ ก, ก็บอกว่าตรงไหนมั่งสูบเราไปสูป่อบายไม่ได้มังที่ไหนมีไหมที่มันดูดเราดึงไปดึงเราลึกไปถึงอบายเลยมีหมถ้าแวกที่ใดไม่พบสัตว์ในอบายที่นั้นหาได้ยากในโลก ท่านก็ทุกแห่งทุกหนทุกแห่งทุกที่เป็นประตูไปสู่อบายได้หมดถ้าตั้งคนถามมาทำไมทุกแห่งจึงเป็นประตูแห่งอบายก็เพราะทุกแห่งเราไม่ได้ไปประพฤติสุจริตธรรมสักเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจริงอยู่พระองค์ผู้ทรงคุณอันมหาศาลดีทุกอย่างเยี่ยมแต่ขนาดนั้นสมัยพุทธกาลก็มีคนตกนรกไม่ใช่น้อยเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แต่เป็นอารมณ์ของทุติจริตกรรมเห็นไหมพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อเนี่ยนะแล้วคนอื่นอีกล่ะนางจินจมาวิการไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกลัทธิเดรธีทั้งหลายวางแผนทำลายพระพุทธเจ้าพันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสำหรับบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับพระองค์ด้วยทุจริตในที่สุดเขาก็ไปสู่อบายทุกติวินิบาต Ham, ทั้งๆท oui. ี <Belg> ่ต <eben fire> <cheesecake> so ัวของพระพุทธเจ้าทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอัพยากตะธรรงหมดเลยไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลทั้งร่างกายและจิตใจทั้งหมดเป็นอัพยากตะเพราะมีจิตอยู่สองชาติวิบากและกิริยามีพระพุทธเจ้ามีจิตอยู่สองชาติเท่านั้นเองชาติวิบากกับชาติกิริยาไม่มีชาติที่เป็นกุศลและอากุศลเลยเพราะพระองค์กําจัดต้นเหตุแห่งกุศลและอกุศลเบ็ดเสร็จหมดแล้ว ถึงขนาดนั้นบุคคลก็ยังเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังทำบาปทำกรรมกับพระองค์อีกไปเป็นอกุศลกับพระองค์อีกแล้วก็ยุคหลังๆมาพระองค์ดับขันปริญิพานแล้วมีคนที่เขาสร้างพระรูปพระรูปเหมือนที่เรียกาอุเทสิกะเจดีก็ยังมีคนไปตัดพระเศียรเป็นต้นไปทำลายพระเศียนไปทำลายพระศอไปประทุสร้ายทำลายพระพุทธเจ้าไปทาลายพระพุทธรูป อย่างบางประเทศใช่ไหมที่บอมพระพุทธรูปอย่างเงี้ยนะไม่นานก็ถูกบอำเหมือนกันนะแต่ก็พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม่น่าสงสารหรอกเพราะมาสงสารคนที่เขาทํากับพระองค์เพราะพระองค์ไปดีแล้วสุขโตใครก็ทําอะไรพระองค์ไม่ได้แต่คนอื่นที่มีจิตคิดประทุษร้ายในพระองค์นี่สิเขาจะเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอันนี้ย้อนกลับมาแม้กระทั่งสิ่งธรรมดาทั่วๆไปในโลกนี้ที่ใดมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งพุทธเจริญกรรมมีไหมไม่มีเลยหาดูเถอะ พราะทุกขนทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งปาณาติบาตเป็นที่ตั้งแห่งอาทินนาทานเป็นที่ตั้งแห่งการเมสุมิชฌาจารย์เป็นที่ตั้งแห่งการพูดมุสาวาตเป็นที่ตั้งแห่งการส่อเสียดเป็นที่ตั้งแห่งการพูดทำหยาบเป็นที่ตั้งแห่งการพูดเพ้อเจ้อเป็นที่ตั้งแห่งความหวังและผิดหวังหวังด้วยอํานาจอภิชาผิดหวังด้วยอํานาจโผมนัตหรือพยาบาทและก็ทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่ค patreon, WA work, pot, งความเข้าใจผิด <wh> เป็นที่ตั้งแห่งความหลงผิดเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ผิดเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิเมื่อทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการทําอกุศลทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทางกายและจิตใจมันเราจึงพูดไม่ผิดหรอกที่บอกว่าเราเป็นผู้มีความทุกขอย่างลงแล้วมีความทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วทำไฉนิการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เดี๋ยวนะ อันนี้ถือว่าถ้าใครมีพื้นฐานมีความเข้าใจแบบนี้เชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วนะอย่างน้อยที่เรีว่ามีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้เหตุแห่งความสุขและเหตุแห่งความทุกข์ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เหตุแห่งความทุกข์อย่างนี้แล้วแล้วเหตุแห่งความสุขละ่ะเหตุแห่งความสุขอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้ที่เรามานับถือพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์รู้จักเหตุแห่งความสุข เพื่อเราจะได้พบเหตุแห่งความสุขแล้วเหตุแห่งความสุขเป็นเช่นใดหนอนะพอนึกออกห ร, หรืหร อ, อยังว่าเหตุแห่งความสุขเป็นเช่นใดเราก็ต้องนึกว่าพระพุทธพุทธุบการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุแห่งความสุขข้อแรกก่อนนะเราก็มานึกถึงย้อนมหาพระพุทธเจ้าความว่าการอุบัติการเกิดขึ้นในโลกนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุแห่งความสุขสุขไหนสุขในโลกนี้ด้วยสุขในโลกหน้าด้วย แล้วก็จะได้ประสบอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยถ้าผลจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการประพฤติตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นเหตุแห่งความสุขเนี่ยนะแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นนาบุญก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความสุขทีนี้เราก็ย้อนกลับมาว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีผู้ถามว่าอา้าวการเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ย้อนคำถามนะพระพุทธเจ้าเริ่มเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เอาง่ากว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆตอนไหนที่พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ตอนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์นีเน้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตอนที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจตรัตรสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ พันอริยสัจที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละจึงเป็นธรรมที่ทำให้พระองค์พ้นจากความทุกข์พันความรู้ในเรื่องอริยสัจนี่เ ช, ชื่อว่าเป็นความรู้ที่ดีเลิศไม่มีอะไรจะดียิ่งกว่ า, านะตัวปัญญานะมรรคปัญญานี้ดีเลิศสูงสุดเพราะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเป็นปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจทั้งหลายปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจนั้นเนี่ย น, นะถือว่าเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้า ทรงบอกทรงแนะนําทรงสั่งสอนประกาศเปิดเผยทําให้ตื่นให้ให้รู้อริยสัจแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายเมื่อก่อนนะเราและเธอทั้งหลายไม่รู้เห็นอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทูตเวียนว่ายตายเกิดอยู่พบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าที่ทุกอย่างนี้ก็เพราะเราทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายไม่เห็น อริยศาสตร์นั่นเองนะนะแต่บัดนี้ทั้งเราและเป็นไงนเนาะยมเปียกไม่ได้เทศในวันนี้ดูท่าแล้วหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าูนพอแล้วเอาแค่มันดังฟังรู้เรื่องก็เอาก่อนแลละพันความรู้ในอริยศาสตร์นั้นถือว่าเป็นความรู้ที่สูงที่สุดนนะเป็นความรู้ที่ที่ช่วยให้ผู้ที่รู้นั้น พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงแล้วทําอย่างไรล่ะที่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ประสบกับการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเช่นกับพระอริยสาวกทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นอริยสาวกเพราะท่านรู้แจ้งรู้เห็นอริยสัจรู้ท่านเพราะท่านเนี่อรู้รู้เห็นอริยสัจท่านจึงเป็นพระอริยสาวกนะหรือผู้ที่เป็นพระอริยะในโลกก็เพราะเห็นอริยสัจนั่นแหละจึงเป็น พระอริยะมันการศึกษาตามวิสุทธิมรตินี่ก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอริยะก็เท่ากับบอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้เพื่อเห็นอริยสัจทั้งหลายอริยสัจทั้งหลายทุกขาริยสัจ ต, ต้องสร้างมันขึ้นไหมบางคนก็บอกว่าโอ้นี่ถ้าคุณจะรู้ทุกนะคุณต้องนั่งให้มันทุกจะได้รู้จักความทุกขบอกไม่ถามอตมาจะบอกวิธีให้นะ เอาไม้มาเคาะนะแข้งดูดิจะสุขหรือจะทุกข์ไงนะเคาะแรงๆหน่อยนะแต่ว่าไม่รับพยาบาลพันก็ทุกข์ในโลกนี้มันมีเต็มไปหมดพันทุกข์ไม่ต้องไปสร้างใช่ไหมยิ่งทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทุกข์คือขันธ์ห้าไม่ต้องไปทําอะไรมันเพิ่มขึ้นเลยเพราะเราทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยความทุกข์ไม่ยากจนเลยความทุกข์ร่ํารวยด้วยความทุกข์เสมอคิดดูนะเห็นอะไรปั๊บเราพร้อมที่จะไม่สบายใจทันที นี่แหละถ้าร่ํารวยด้วยความทุกข์เนี่ยนะแสดงว่ามีมากมีจนมันทะลักออกมาเป็นปกติทะลักออกมาเป็นเนืองนิดผู้สมบูรณ์ด้วยความทุกข์ร่ํารวยด้วยความทุกข์สองสมุทัยเราก็ไม่พร่องอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหวังของเราเนี่ยนะบอกวสิ่งที่อะไรจะเหือดแห้งแม่น้ําจะเหือดแห้งก็แห้งไปแต่ความหวังทั้งหลายความหวังของเราทั้งหลายไม่เคยเหือดแห้งเลย เราเป็นผู้ที่มีความหวังไม่เหือดไม่แห้งไม่แห้งแล้งไม่กันดารเนี่ยนะหวังได้ร่ําไปทุกบานใดก็ยังไม่สิ้นหวังนะใครเคยบอกว่าฉันเลิกหวังแล้วอาจจะเลิกหวังเป็นบางเรื่องแต่อีกหลายพันเรื่องไม่ไม่เลิกหวังก็หวังไปเรื่อยๆพันสัตว์ในในวัตตะในภูมิสามเป็นสัตว์ที่ไม่แห้งแล้งในความหวังเป็นผู้ที่ไม่เต็มไม่อิ่นในความหวัง พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไอความหวังที่มันถมไม่เต็มนี่เหมือนอะไรเหมือนทะเลทะเลนี้ไม่มีใครถมมันเต็มชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่สมบูรณ์ด้วยความหวังความทะเยอทยานความต้องการนั้นจึงไม่มีคําว่าเต็มคําว่าอิ่มคําว่าพอหวังอยู่นั่นแหละสรรสมตว์ทยศัสตร์เราก็สมบูรณ์ร่ํารวยด้วยความความหวังความปรารถนาเมื่อใดเนอว่าเราจะหวังว่าจะเลิกหวังสักวันหนึ่ง ใครเคยคิดบ้างช่วยยกมือขึ้นบอกว่าฉันขอหวังเพื่อเลิกหวังสักทีหนึ่งฉันหวังว่าฉันจะหมดความหวังฉันจะดับความหวังเนี่ยนะที่ศึกษาและการปฏิบัติจริงๆเพื่อดับไอ้ตัวความหวังจมชินชูสองนิ้วเหมือนลิโพเลยอย่างเงี้ยต้องชูทั้งห้านิ้วบอกว่าวังว่าจะดับความหวังได้สักวันหนึ่งนะตันหาถึงฉันจะยอมแพ้ในวันนี้แต่ในภายหน้าฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องปฏิวัติข้าให้ได้ ตัดหัวเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้าว่าตรัสว่าชนะตันหาชนะทุกทั้งปวงมันถ้าใครดับความหวังได้ผู้นั้นจักเย็นในโลกนะมันก็เจริญกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ถาวายพระเจดียกก็อธิษฐานว่านั้นด้วยบุญกุศลที่ไหว้พระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยขอให้ดับความหวังได้สําเร็จเถิดแต่คําว่าดับเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าไม่เห็นนิพพานคุณดับความหวังไม่ได้หรอกนะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบระงับ ดังนั้นกิจในการปฏิบัติในหลักอริยสัจสี่เนี่ยนะหนึ่งทุกขาริยสัจสองสมุทยัยสามนิโรธหนึ่งสองสามไม่ต้องทําอะไรคือไม่ต้องไปปฏิบัติการนีนะนะไม่ต้องไปปฏิบัติการอะไรเลยในทุกขสัจใช่ไหมคือไม่ต้องไปทําให้มีขึ้นสองตัณหาก็ไม่ต้องไปสร้างนิพพานก็ไม่ต้องไปสร้างแต่สิ่งที่จะต้องเจริญมีอยู่อย่างเดียวคือมรรคสัจมรรคสัจนี่นะนะมรรคสัจนี้ประกอบไปด้วยองแปลเนี่ยนะนะ ทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นทางเกษมทางที่ไปสู่อาบายนี่มีกี่องค์มีสิบองอ น, นะก็กุศลกรรมบทนั่นแหละคือทางไปสู่อาบายทางไปสู่มนุษย์ก็กุศลกรรมบทสิบทางไปสู่สวรรค์ก็ยิรโอตะปะเนี่ยนะเอาเอาเอาตัวท้ายเนี่ยเป็นหลักนะยิรรโอตะปะเป็นตัวกระตุ้นทำให้กุศลธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นทางไปสู่พรหมโลกก็คือ พรหมวิหารถ้าทางไปสู่ความดับทุกข์ทั้งมวลก็คือทางอันประกอบไปด้วยองแปดทางอันประกอบไปด้วยองแปดนี้เป็นทางที่แปลกมากแปลกยังไงบอกข้อหนึ่งสมาธิฏิสมาธิฏิรู้อะไรบอกรู้อริยสัจนะบอกว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้พ้นทุกข์คือการบรรลุอริยสัจแต่สัมาธิฏิเป็นข้อปฏิบัติที่เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นการเห็นอริยสัจนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติให้เราทั้งหลายถึงความ ดับทุกข์ให้เราทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์ที่นี่ส่วนมักข้อสองเนี่ยนะคือสัมมาสังกปะคิดอะไรก็คิดอริยสัจนะเนี่ยอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอจะคิดนะเธอต้องคิดอริยสัจถ้าเธอจะเห็นก็เห็นอริยสัจถ้าจะคิดก็คิดอริยสัจแม่แต่สัมมาวาจาถ้าเธอจะพูดก็ให้พูดอริยสัจ การพูดของเราทั้งหลายเนี่ยนะเราพูดเรื่องทุกจริงแต่เป็นคำพูดที่ไม่คล้อยตามหลักการของอริยสัจโดยรวมๆนะเช่นเราพูดเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องป่วยแต่ไม่ได้พูดให้มันเข้าหลักอริยสัจเป็นคำพูดที่ขัดกับหลักอริยสัจเป็นส่วนใหญ่เช่นพอป่วยก็บอกหวังว่าจะหายใช่จงหวังอยู่ร่ำไปเถอทุกเหล่านี้เดี๋ยวก็ผ่านไป เดี๋ยวไม่นานเหตุการณ์อันนี้จกผ่านไปความทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะสบายในวันหน้าใช่ไหมพูดแต่ว่าเป็นเป็นคําพูดที่ไม่ได้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเลยถ้าหลักอริยสัจนะบอกว่ามันจะเมื่อไหรมันก็คือกองทุกข์นะนะอดีตมันก็คือกองทุกข์อนาคตก็คือกองทุกข์ปัจจุบันนี้ก็คือกองทุกข์เมื่อใดมันก็คือกองทุกข์นะแต่เราก็ยังหวังอีกว่าเ อ, อเดี๋ยวมันจะสบายมันจะสุข ความคิดอันนี้ก็ขัดต่อหลักอริยสัจซึ่งสังสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกเราก็ยังหวังว่าสังขารมันเป็นสุขความคิดที่บอกว่าสังขารเป็นสุขก็เป็นความคิดที่ขัดแย้งต่อหลักอริยสัจจึงไม่บรรลุอริยสัจเพราะเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจขัดแย้งต่อหลักอริยสัจเป็นเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุอริยสัจนั้นเนี่ยนะ คนที่มีความคดทางกายบรรลุไม่ได้หรอกคนที่มีความคดทางวาจาบรรลุอริยสัจไม่ได้หรอกถ้าคดทั้งกายและวาจาด้วยยิ่งไม่ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ที่จะเห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจึงเป็นปัญญาที่ที่รู้เห็นอริยสัจใคร่ครวญครุ่ น, ค, นคิดในอริยสัจให้มากๆส่วนสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะเป็น ศีลเป็นศีลนนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิเพราะฉนถ้าแยกตามวิสุทธิเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะเป็นศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตตวิสุทธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัตะเป็น ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามค า, ายาณทัศ น, นวิสุทธิปฏิปทายาณทัศ น, นวิสุทธิและยาณทัศ น, นวิสุทธิถือเอาปัญญาเป็นหลักเพราะการปฏิบัติตามวิสุทธิเจ็ดก็คือการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะวิสุธทธิเจ็ดคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่เอาอาริยมรรคมาวางเป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติ บางท่านก็บอกว่าถ้าเรามัวจะปฏิบัติอยู่อย่างนี้เมื่ อ, อไหร่จะได้เจริญมรรคสักสทีนึงมนันนะมโแต่เจริญวิสุทธิเมื่อไหร่จะได้เจริญมรรคถ้ามีคำถามแบบนี้ขึ้นมานะก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องหนักใจอะไรหรอกเพราะว่าการเจริญวิสุทธิกับการเจริญมรรคแดนี่เหมือนกันนะมรรคนี้เป็นการแสดงขณะที่ประชุมกันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ดนี่นะขณะที่สามัรคีกัน ส่วนวิสุธทธิเจ็ดเนี่ยคือข้อปฏิบัติที่พูดไปตามลําดับตามขั้นตามตอนให้อริยมรรคประชุมพร้อมกัน น, นะท่านคนที่จะปฏิบัติที่จะทําให้รู้เห็นอริยสัจอริยสัจนั้นเป็นของจริงของแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ทางกายวาจานั้นเป็นอะไรวิสุธทธิศีลวิสุธทธิเป็นความบริสุทธิ์ทางกายและวาจาจิตตวิสุธทธิล่ะ เป็นความบริสุทธิ์ทางจิตใจเป็นใจที่ปราศจากอภิชาและโทมนัสคิดง่ายๆอย่า ง, งานี้นะบอกว่าการเห็นอริยสัจคืออะไรก็คือการเห็นรู้ ร, รู้เห็นเหตุเกิดความดับอัศทะอาทีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตรูปทั้งส น, นะดินน้ำลมไฟนะั่นรู้เหตุเกิดขอ ง, ม, ของมหาภูตรูป4ี่รู้ความดับของมหาภูตรูปสี่รู้เห็นว่าความน่ายินดีน่าพอใจของมหาภูตรูปสี่ รู้จักพิษภัยโทษภัยของมหาพูทธรูปสี่และปฏิบัติเพื่อดับมหาพูทธรูปสี่ดับชันนราคะในมหาพูทธรูปสี่ที่นี้กขาบอกว่าคุณพิจารณาอย่างนั้นไปห้ามชอบมหาพูดห้ามชังมหาพูดถ้าใส่ใจว่ามหาพูดคือมหาพูดโดยที่ไร้ความชอบและไม่มีความชังอันนั้นแหละเรียกว่าผู้มีจิตวิสุท ธ, ธิ เมื่อเห็นมหาพูดเป็นมหาพูดไม่ชอบไม่ชังเนี่ยนะทําใจได้ยังไงเนอะเขาก็ เ, า, เ, า, เาชั่ระจิตเขาเก่งจริงๆเลยนะคนที่ทําได้นี่น่าเคารพนะเขารู้มหาพูดโดยความเป็นมหาพูดโดยที่ไม่ถูกผีหลอกนะอภิชากระทมนัทเนี่ยนะถูกผีหลอกให้หวังใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถูกผีหลอกให้กลัวอีกนั้นอภิชาก็คือความหวังโธมนัทก็คือความกลัวกลัวอะไร กลัวมหาพูดเนี่ยนะกลัวมหาพูดหวังมหาพูดชอบมหาพูดต้องการมหาพูดแล้วก็กลัวมหาพูดนั้นข้อปฏิบัติจึงตัดตรงนั้นออกไปใครที่ยอมรับมนสิการสัญญามนุิการว่ามหาพูดคือมหาพูดวันยังค่ําไม่เข้าไปชอบไม่เข้าไปหวังะนะเพราะรู้เห็นโทษของความชอบรู้โทษของความหวังรู้โทษของความเสียใจ แต่ก็รู้ว่าเออมหาพูดเนี่ยมันสะท้อนมาซึ่งความชอบและความชังเนี่ยนะมหาพูดนะสะท้อนมาซึ่งความน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา mm hmm. เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะมหาพูดถูกต้องเนี่ยนะ mm hmm. ดังหลังที่กล่าวไปแล้วทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของจิตดวิสุทธิ จิตวิสุทธิบริสุทธิ์ว่าไม้รว่าไม่ชอบไม่หวังไม่ต้องการมหาพูดยอมรับมนสิการว่ามหาพูดคือมหาพูดเมื่อมีความรู้ความเข้าใจยอมรับในมหาพูดโดยความเป็นมหาพูดอย่างดีโดยประการทั้งปวงอย่างนี้แล้วเริ่มมาวิจัยมหาพูดเอามหาพูดมาพิจารณาเพื่อจะเจริญทิฏฐิวิสุทธิเพราะทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยคือการกระจายมหาพูดคือไม่ชอบ ไม่หวังกับมหาพูดและไม่รู้สึกว่าต้องผิดหวังอะไรจากมหาพูดก็เอามหาพูดมาพิจารณานั้นการพิจารณามหาพูดนั้นชั้นแรกคนมีปัญญาน้อยควรพิจารณามหาพูดโดยพิสดารอย่ามาคิดแบบย่อๆถ้าคิดแบบย่อๆลําบากอนะเขาบอกว่าคนโง่เรียนพิสดารคนฉลาดเรียนแต่ยอ่อของเราเนี่ยถ้าหากว่าบอกฉลาดก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ขอรู้แบบย่อๆเนี่ยนะอันนี้ก็ ก็รู้ได้นะแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรทีนี้เราก็มาคิดว่ามหาพูดโดยพิสดารเป็นยังไงมหาพูดเนี่ยก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะมหาพูดภายในกับมหาพูดภายนอกมหาพูดภายนอกก็คืออะไรดอกนอกสรีระเรานี่แหละถ้านอกสรีระเรานี่ชื่อว่านอกหมดแหละไม่ว่าจะเป็นก้อนอิดก้อนหินก้อนดินก้อนทรายบ้านช่อ ง, ห, องห้องหอเป็นต้นอะไรก็ช่างเถอะที่นอกนอกจากตัวร่างกายของเราเนี่ย ที่เหลือทั้งหมดนั้นชื่อว่าภายนอกทีนี้ถ้าเป็นภายในล่ะมหาพูทที่เป็นภายในคืออะไรมหาพูทที่เป็นภายในก็มาแยกว่ า, าปฐวีมหาพูตระรคือดินมหาพูตรูปคือน้ำมหาพูธตรูปคือไฟมหาพูธตรูปคือลมนะดินน้ำไฟลมถ้าดินเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าดิน เอาความแข็งแข็งหรือความหยาบความกระด้างที่ใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่มีความหยาบมีความกระด้างมีความแข็งแข็งสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุดินเช่นเช่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทางผืชม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรไส้อาหารหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกซีชะในสิ่งเหล่านี้ชื่อว่ามี ความแข็งแข็งอยู่ในตัวจำนวนมากอ่เอนะเอาบาบก็มีล่ะนะธาตุน้ำไฟลมในนั้นมีแต่ว่าปริมาณแห่งความแข็งมีในสิ่งนั้นมีมากกว่าทีนี้ต่อไปธาตุอย่างที่สองล่ะคือธาตุน้ำ น้ำอะไรนะปิดตังเสมหังปุกโพโลหิตังเสโทเมโทอ ส, สุว่สาเคโลสิงคานิกาลสิกามุตังก็คือน้ำน้ำอะไรน้ำปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุกโพน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทเงื่อเมโทมันข้นนั่นนะอ ส, สุน้ำตาว่าสาน้ำมันเหลวอะไร เคโลน้ําลายสิงคานิกาน้ํำมูกลัสิกาไขาข้อมุดตังน้ําปัสวะในธาตุน้ําเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีดินไม่ใช่ไม่มีไฟไม่ใช่ไม่มีลมมีอยู่แต่ธาตุน้ํามีมากกว่าเพราะสภาวะตัวนี้มันเกาะกลุ่มเนี่ยนะมันเน้นไปที่เกาะกลุ่มทีนี้ธาตุไฟละ่ะไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไข้ธาตุาไฟที่ทําให้ร่างกายแก่ชราและธาตุไฟที่ช่วยให้ย่อยอาหาร อันนี้ก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟอันนี้เนี่ยนะก็มีดินมีน้ํามีลมอยู่แต่ว่าธาตุไฟทํากิจมากกว่าแล้วก็ส่วนธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมพัดทั่วร่างกายทําให้ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นอันนั้นช่วยให้โค้ให้เหยียดให้หมุนให้ให้ถอยให้หันให้แยให้เหลียวเป็นต้นเนี่ยลมพัดทั่วสารพรางกายและลมหายใจเข้าออกดึงเอาออกซิเจนเข้าไปนั่นนะก็พวก พวกาธาตุลมอันน้ลมเหล่านี้ก็มีดินมีไฟมีน้ำแต่ว่ า, าธาตุลมทำกิจมากกว่าแล้วก็มาคิดโดยพิสดารว่าในผมมีกี่รูปในเล็บฟันหนังห้ามชอบและห้ามชังทำวิจัยไปอนะห้ามมีอภิชากับโทมนั้นวิเคราะห์แยกเยวะว่าเออนี้คือรูปรูปเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยประกอบไปด้วยรูปเช่นนี้เช่น น, น, นี้เล็บฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างมีรูปเช่นนั้นเช่นนี้ โ ด, โดยที่เรียกว่าผมก็มาคิดดีว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนหนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมนี่งอกบนตนหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่หุม่มหุ้มสรีระสรีระก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่มีหนังหุ่มอยู่หนังก็เ อ, อแล้วก็มันข้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่ไปอย่างไงก็คิดคิดอย่เออทุกอย่างเป็นอัพยากตะมันไม่รู้ซึ่งกันและกันเลยนะคิดไปอย่างนี้ตามสภาพที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่ใจเราเราโดยมากไม่ค่อยยอมรับ คิดจนยอมได้ว่าเออความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเช่นนี้นะเป็นอัพยกระตะธรรมจริงๆมันเป็นมหาพูดจริงๆเป็น น, นนะเป็นของที่หลอกเป็นของที่ลวงเคยได้ยินคนอื่นเขาหลอกไหมนั่นแหละผีหลอกนนะมหาพูดทีนี้เมื่อเกิดการวิจัยในเรื่องของมหาพูดอย่างนี้บอกมหาพูดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่ง วิญญาณทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งจิตทั้งหลายพุทพธพจน์นี้ตรัสยอ่อสั้นแต่ก็เข้าใจง่ายดีพระ อ, องค์บอกว่ากายนี่แหละเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันเป็นนิดและวิญญาณทั้งหลายจิตทั้งหลายก็ อ, อาศัยกายนี่แหละเกิดอยู่ในกายนี่แหละอันนี้พระ อ, องค์แสดงแบบย่อๆแล้วก็ที่อื่นๆนี่แสดงโดยพิษาน เราก็มาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้โดยพิสดารถ้าใครคลวญอย่างนี้แล้วถ้าลองย่อหอกมาอีกนะจาก42กับบวกกับ น, นามมาทำอีกสี่42ก็คืออะไรดิน20น้ำ12ไฟ6ไฟสี่ลมหกแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน42บวกสี่ก็เป็น46เพราะนามมาขันแบ่งออกเป็นสี่ เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเป็น42นามเป็นสี่ก็เป็น4นะี่สิบหกเนี่ยนะบอกโอ้พิสดารไปนะเรียนเข้าใจแ ล, ะละ้วล่ะแต่ว่าอยากย่อย่อกว่านี้ได้ไหมบอกได้คุณมาคิดเป็นท่าสิบแปดสิเนี่ยนะย่อลงมาอีกใช่ไจากครูทารูปปัททะจากครูวิญญาณาทาาโสตท่าสัทาทาตทธาโสตวิญญาณทาาคณท่าคันทา่ทาท่านณะวิญญาณทาา เิียวหาธาตุรัศธาตุเชียวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธาธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุธาตุคือตาธาตุคือสีธาตุคือการเห็นหรือจิตเห็นธาตุคือหูธาตุคือเสียงธาตุคือจิตได้ยินธาตุคือจมูกธาตุคือกลิ่นธาตุคือจิตรู้กลิ่น